กราบขอโอกาสจากระจัรศ์สุรินนะฮะแล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนสาท ม, มิกเนะืะก็เอเล่าหลวงพ่อก่อนเนาะเ <c oughs> ข้ากรุงเทพก็ตรวจร่างกายเนาะหลวงพ่อก็ก็สุขภาพทางกายก็ดีทุกอย่างเนาะไปตรวจความดันก็ดี แล้วก็ไปตรวจเรื่องของผลของลังสีที่เคยฉายก็ดีก็ดี <c oughs> ดีทั้งสองอย่างแต่ว่าที่กรุงเทพก็มีประสบการณ์ใหม่นะคือเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนตุลาก็ไปมานหนึ่งแต่ว่าคราวที่แล้วนี่พลาดนัด ก, กับหมอเพราะเนื่องจากว่าเดินทางเดินทางรถติดมากๆเลย ปรากฏว่าจากที่มูลนิธิมูลนิธิหลวงพ่อเทียนนะตรงพุทธผลทนสายสี่ตรงนั้นกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลจุฬาคราวที่แล้วใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ออกจากมูลนิธิด้วยการที่นั่งแท็กซี่แล้วก็พอดีมันมีรถไฟฟ้าช่วงใหม่นะที่เขาต่อมาถึงแถวๆอาจจะบังแคหรือว่า เลยบางแค่มานิดหน่อยเนี่ยก็เลยแบบว่าหลวงพ่อกับหลวงพ่อกลมก็ได้ขึ้นรถไฟฟ้ากันก็ก็ถือว่าคือความที่รถไฟฟ้ามันก็จะมีสถานีจากสถานีถึงอีกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยประดีช่วงช่วงสุดท้ายก็จะมีช่วงเดินประมาณสักอืมก็ ก็ถือว่าเยอะเนาะประมาณสักก็เยอะละห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรอะไรราวๆนี้เนาะเยอะก็หลว ง, งพ่อกับหลวงพ่อกรมก็เดินเดินกันดีมากๆนะก็แสดงว่าสภาพร่างกายก็ดีมากๆแล้วก็ดูเราดูหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็น่าจะเป็นการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกเนาะแต่ว่าความที่ หลวงพ่อก็เหมือนกับยังไงอะความที่มีสติของหลวงพ่อนะก็ไม่มีอะไรแล้วก็เรียกไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นความแปลกเป็นความอะไรก็เป็นความราบลื่นแล้วก็คล่องแคล่วหลวงพ่อแม่อายุปีนี้ก็ตั้งแ่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบปดนะก็ยังดูมีเขาเรียกว่ามีความคล่องแคล่วมีความ พร้อมมีความตื่นตัวมีความมีสติพร้อมที่จะเจอกับสิ่งต่างๆนะพร้อมที่จะเจอกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีความสำรวมระวังมีความพอเหมาะพอดีทุกอย่างงดงามดีมากๆเลยก็ <c oughs> ตรงนี้แล้วก็พอดีคราวนี้ก็ใบก็ก็อย่างที่ว่าเราก็มีลถช่วงหนึ่งถึงแม้ว่า จะอาศัยรถช่วงหนึ่งแล้วก็อาศัยรถไฟฟ้าช่วงหนึ่งก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกว่าการเดินทางก็ประหยัดเวลาไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากนักพอไปถึงนั่งรอหมอนั่งรอคิวประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงสินาทีก็หมอก็อมาตรวจปรากฏว่าก็เราก็นึกถึงว่าเอ๊ หลวงพ่อเพิ่งเดินมาเนะีเหมือนกับยังหายใจไม่ทันหายเหนื่อยเนี่พอมาวัดความดันจะเป็นยังไงอะไรปรากฏว่าปรากฏความดันดีนะครทุกทีหมอก็เคยติบอกว่าความดันหลวงพ่อสูงเนี่ยเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับว่าเพิ่งเดินทางมาหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมความดันสูงอยู่ที่วัดน่าจะสูงกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงต่างๆก็แต่คราวนี้ปรากฏว่าความดันก็ดีนะ ก็หมอก็บอกบอกว่าบางทีการออกกําลังก็ช่วยให้ความดันได้ได้คงที่ได้มีอะไรแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นความดันที่ที่ดี น, นัอย่างเงี้ยการออกกําลังบ้างอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะแต่และก็นึกว่าเออเหนื่อยๆความดันจะสูงอะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้ได้รายงานให้พวกเราทราบเนาะ แล้วก็หลวงพ่อก็กลับมาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมอาจารย์กำพลปรากฏอาจารย์กำพลก็อยู่ที่โรงพยาบาลมาสองเดือนเต็มๆตอนนี้ก็สุขภาพก็ดีดีเพราะว่าอาจารย์กำพลบอกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือได้พักนะได้พักเนื่องจากว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับมีการเรียกมี มีแขกไปใครมาอยู่ที่กรุงเทพอะ่ะเท่าที่เคยไปพักที่จังนกรผลเนี่ยแขกจะมาตั้งแต่หกโมงเช้านะหกโมงเช้าแล้วก็ก็จะลากลับก็นู่นบางทีก็ทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรต่างๆการที่พูดคุยการที่พูดคุยก็ถือว่าใช้พลังงานมากๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์คำผลมีปัญหาเรื่องของเรียกว่าความเป็นคนพิการเนาะปอด ม้ามตับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่รวมถึงกระบังลมที่ช่วยในการพูดก็ตามตรงเนี้มันก็ทําให้มันเหมือนกับพลังงานที่จะใช้กับร่างกายเนี่ยก็หมดไปกับการพูดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็อาจารย์คุณพลก็แบบท้ายที่สุดเนี่ยกลับมาจากการไปบรรยายธรรมที่ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเลย ซึ่งเข้าโรงพยาบาลก็ในตอนแรก <c oughs> ก็ดูว่าอาจารย์เองก็ยังแบบว่ายังไงดูว่าร่างกายแบบว่าดูดูจะไปไม่ค่อยไหวนะ <c oughs> มีสภาพของเขาเรียกว่าความบกพร่องของอวัยวะตรงนั้นตรงนี้รวมถึงการหายใจรวมถึงการขบชั น, น, นต่างต่าง แบบว่าทานข้าวไปสองสามช้อนก็ร่างกายก็แบบรับไม่ได้คำว่ารับไม่ได้บบหมายถึงก็แสดงอาการแน่นจุกนะอาการบวมอาการอะไรต่างๆนานาเนีก็ถือว่าเป็นเป็นสภาพร่างกายที่ย่อบบางๆแต่ว่าพอได้พักเต็มๆนะมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่สระบุรีเนาะก็หมอก็ ปิดปายงดเยี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีการจํากัดจํากัดเวลาการเยี่ยมนตนางๆรวมถึงคนที่รู้ว่าอาจารย์อยู่โรงพยาบาลก็ไม่มากน่าอาจารย์ก็บอกบอกว่าเนี่ยการที่ได้พักเต็มๆตรงนี้มันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยก็ฟื้นฟูของเขาเองด้วยในส่วนหนึ่งรวมทั้งยาที่ถูกกับโลกด้วย ก็อาจารย์บอกว่าตอนนี้ร่างกายก็ฟื้นฟูขึ้นมาดีกว่าสองปีก่อนก็ฟื้นฟูขึ้นมามากๆหน้าตาก็สดใสแล้วก็ต่างๆ ต, ตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคือเราก็มองเห็นนะว่าคือการทํางานของกายเนี่ยมันก็เป็นการทํางานที่ เราก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะก็เรียกว่าช่วยเหลืออะไรเขาอืมก็คำว่าช่วยเหลือก็ไม่ถูกนะคือหมายถึงว่าไม่สามารถกำหนดอะไรได้มากแต่ว่าเราก็สร้างเงื่อนไขนะสร้างเงื่อนไขอย่างลงพ่อเองเนี่ยแล้วก็ดูดูก็ดูลงพ่อว่าลงพ่อเองก็ไม่เปลียดเบียนร่างกายนะแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าร่างกายมันจะเป็นยัง ไ, ไงไปยังไงแล้วก็ อยู่กับร่างกายนี้นะอย่างอย่างที่อย่างพอเหมาะผสมอย่างอาจารย์กัมพลก็สร้างเงินไขให้ร่างกายได้พักปรากฏ ว, ว่าการได้พักเต็มๆในสองเดือนก็ทำให้ร่างกายก็ฟื้นขึ้นมาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเนาะเขาก็ทำงานของเขาเองตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็ได้เห็นได้เห็น การที่ไปทุดงก็มันก็ได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนเนะาะเพราะว่าเนื่องจากว่าปีนี้ทุดงก็จะเป็นการทุดงที่ขึ้นเขาลงห้วยทุกวันขึ้นเขาลงห้วยทุกวั น, นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็เห็นสภาพร่างกายที่เขาก็เหมือนกับพอหมดวันก็ล้ามากๆนอย่างนัง้นร่างกายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเรียกว่า ก, ก็ถูกใช้หนัก น่เนี่ยถึงแม้ว่าปีนี้จะเดินปีหนึ่งวันวันหนึ่งก็ไม่มากเนื่องจากว่าเป็นภูเขาก็เดินได้ช้าประมาณสัก1ิกว่ากิโลประมาณสักบห้กิโลประมาณโดยประมาณ ก, าก็ก็ต้องเล็กมากก็เต็มที่ของร่างกายก็เท่าที่สังเกตดูทั้งคณะก็เวลาพักพักผ่อนวันวันหนึ่งก็ประมาณ น่าจะอยู่ไม่เกินสองทุ่มก็หลับกันหมดละแต่ว่าพอถึงตอนเช้าขึ้นมาร่างกายก็ฟื้นฟูตลอดร่างกายก็ฟื้นฟูพร้อมที่จะเดินกันไปก็ทําวัดเช้ากันตอนตีห้าก็กระปี้กระเพ่ากันปีนี้การเดินการเดินก็จะอยู่กับเขาเรียกว่าอากาศหนาวตลอดก็ที่นี่ หนาวเท่าไหร่ที่นู่นก็อาจจะหนาวกว่ามากกว่าอีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราก็เหมือนกับขึ้นไปขึ้นไปสูงกว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะนั่นนคือตรงนี้ก็วันหนึ่งไปที่ดอยแม่สลองดอยแม่สลองนี่เขาบอกว่าก่อนหน้าที่วันที่เราจะไปถึงเนี่ยบนยอดดอยที่เป็นเจดีที่สูงที่สุดของของวัดตรงที่เราไปพักนะก็สูงขึ้นไปอีกประมาณสักร้อยเมตรหรือ1 5อยหเมตรเนี่ย ก็บอกว่าลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ประมาณสักสามองศาจุดที่เราอยู่กันเนาะอย่างงี้ก็เราก็ไปถึงในวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็อากาศก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างเท่าไหร่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาทาวัดเนาะก็ทาวัดเสร็จก่อนออกบินทบาทเนี่ยแล้วก็แะบบว่าดูดูจากอุณหภูมิก็ ประมาณสักเจ็ดองศาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาที่เดินบินธบาตเนี่ยโอ้ทุกคนนะก็บอกพร้อมเพรียงกันเลยนะว่าวันนี้เย็นมากๆ ก, <c oughs> ก็เดินบินธบาตในช่วงประมาณสักกิโลกว่าๆเนาะไปจนสุดจนสุดหมู่บ้านแล้วก็กลับมาโอ้เท้านี้เย็นเฉียบ <c oughs> เย็นเฉียบเลยก็เย็นมากๆเย็นจนเหมือนกับ เราไม่ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยแต่ปรกากฏว่าพอกลับมาก็ลาดน้ำล้างเท้าเพราะว่าหลังเท้านี่แตกแตกปริปริเพราะว่าความเย็นเนาะเลือดซิบๆิบก็เย็นเย็นมากๆก็เป็นเป็นสิ่งที่เออนะก็ร่างกายก็แบบว่าบางทีเขาก็มีความก็เรียกว่าทนความเย็น แต่ว่าในส่วนของพิจารณาจากหมายถึงใจเนาะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันก็ต่างอะไรกันไปเท่าไหร่แต่พอพอเวลาที่ดูร่างกายร่างกายมันก็เหมือนกับทนความเย็นได้ในระดับหนึ่งเนาะก็เออตรงนี้เราก็เห็นเราก็เห็นกันในคณะที่ไปบินทบาศกันเช้านั้นความเย็นก็เป็นสิ่งที่ก็ดูเหมือนกับ เราก็พร้อมที่จะพบกับความเย็นอย่างนั้นก็สดชื่นกันบินถมาต่างๆก็ก็ไม่ไม่ได้มีใครที่จะท้อถอยกับกับอากาศเย็นๆอย่างนั้นก็ในช่วงของการเดินปีนี้ก็มันจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าช่วงนั้นก็มีฝนด้วยนะแล้วก็ทางเหนือเนี่ยก็มีความก็เรียกว่ามีความชื้นในอากาศสูง ก็ทําให้ก็เรียกว่าความเย็นก็ไม่ไม่โหดร้ายเท่าไหร่เพราะนึ่งจากว่าถ้าเย็นด้วยแห้งด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกจะอาจจะเป็นภาระกับร่างกายเยอะแต่ว่าพอเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแบบนี้เนะาะทังเหนือโดยตลอดนี่นอกเหนือจากวันที่ดอยแม่สลองนี่ก็ถือว่า เย็นชื้นเนาะความชื้นสูงมากๆแต่ว่าวันที่ต่อยแม่สลองนี่จะเป็นวันที่เย็นแล้วก็แห้งวันเดียวเป็นวันเดียวของการของการเดินทางก็ทําให้ร่างกายนี่ที่ว่าผิวหนังแตกปริแต่ว่าวันอื่นๆก็บางวันแล้วก็เดินเดินแบบว่าเดินตากฝนกันเนาะเดินตากฝนก็อยู่สักสามวันมีมีฝนไปปล่อยมาก็ ได้ใช้พวกผ้าพลาสติกบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างก็เดินปีนี้จะแปลกอย่างนึงตรงที่ว่ามันเหมือนกับเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนกับเป็นเส้นผาประเทศครึ่งหนึ่งนะปีที่แล้วเราก็เดินฝั่งตะวันตกของเชียงรายปีนี้ก็เดินฝั่งตะวันออกของเชียงรายแล้วก็ต่อมาเชียงใหม่แล้วก็ต่อมาที่แม่ฮอง g ศน การที่เราก็เดินตั้งใจเดินไล่ตะเข็บชายแดนเนาะก็มันก็มีก็เรียกว่าแผนที่ก็ไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่เป็นความทันสมัยของยุคปัจจุบันก็คือ GPS GPS ก็จะเป็นการที่เหมือนกับเป็นแผนที่ดาวเทียมซึ่งก็จะเป็นแผนที่ที่แม้ไม่ใช่เป็นณ น, นาทีนี้แต่ว่าก็ถือว่าใหม่มากๆ ก็มีรายละเอียดของการเดินที่เราถามชาวบ้านด้วยแล้วก็ G P S ด้วยทำให้เราก็ได้เดินไล่ๆตะเข็บไปตามที่เราต้องการเพราะว่าเนื่งองจากว่าถ้าไม่เดินไล่ตะเข็บเนี่ยเราก็ต้องเดินตามถนนก็จะเป็นอันตรายด้วยแล้วก็ความก็เรียกว่าความวุ่นวายของรถก็น่าจะเยอะด้วยก็เดินเดินได้เดินไปก็มีบรรยากาศที่ แตกต่างไปเนาะปรากฏว่าคราวนี้จะไปเจอพวกชาวเขาจะเยอะเนาะมีอีกอ็มีมูเซอร์มอีอีกก็มูเซอร์อาคาเนาะแล้วก็ลีซอแล้วก็ปากยอแล้วก็คนจีนมีเยอะมีมีมต้องเรียกว่าเยอะมากๆเลย ออคนจีนเลยังไหมพอมีไทยใหญ่ก็มีนะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนที่ต่อกับพมา่าก็มีการข้ามไปข้ามมาของคนพมา่าที่เป็นคนถิ่นใกล้เคียงแล้วก็คนที่เขาอยากที่จะเข้ามาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่อยากอยู่ในพมา่าไทยใหญ่ก็ถือว่าเป็นคนจํานวนมากจํานวนหนึ่งแต่ว่าอีกจํานวนหนึ่งที่มากๆก็คือคนจีนคนจีนที่ ตกค้างมาตั้งแต่กองพล93ในช่วงคอมมิวนิสต์ที่แยกกับทางประเทศไต้หวันเนาะแยกมาคนฝ่ายหนึ่งคนจีนก็ไปอยู่ในไต้หวันอีกฝ่ายหนึ่งก็มาอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเ้าสู้คอมมิวนิสต์แล้วก็กล้ๆว่าแตกทับกันมาเป็นสองทางคนจีนก็มาอยู่ในในไทยเนี่ยอย่างที่นึกไม่ถึงว่า ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเดินเข้าไปก็มีบรรยากาศแบบจีนจีนแบบอย่างนึกไม่ถึงอาคารบ้านเรือนก็เป็นจีนนะต้นหมากลักไม้ที่เขาเลือกมาปลูกก็เป็นต้นหมากลักไม้ที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ความที่อากาศเย็นก็เป็นใจนะเราก็ตามก็เรียกก็ตาม GPS ไปว่ามันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดแสนสุขเราก็ตามไป ปรากฏว่าพะตึงหน้าวัดเนี่ยเหมือนเปลี่ยนไปอี ก, อกประเทศหนึ่งเลยเนื่องจากว่าฉากหลังของพัดที่เราเห็นก็เป็นภูเขาสูงนะข้างหน้าก็เป็นต้นสนนะแบบจีนนะหยิ่งๆิงอ ง, งออยู่แล้วก็มีเก่งจีนมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนมากๆแค่นั้นยังไม่พอพอเข้าไปในวัดนะมีแต่คนพูดภาษาจีน เป็นจีนจีนทแท้ๆจีนทแท้ๆปรากฏว่าก็มีเจ้าอาวาสอายุ93 <c oughs> ก็มาต้อนรับเราก็โชคดีที่เรามีท่านจีนนะเป็นคนจีนที่ไปด้วยท่านจีก็พูดภาษาจีนด้วยเจ้าอาวาสอายุ93ท่านก็คล่องแคล่วมากนะฮะหมายถึงว่าดูไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี หลังโกงหลังงอไม่มีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เดินเหิน<ม>ก็ดูนุ่มนวล น, นะคล่องแคล่วเหมาะกับเหมาะกับอายุหรือว่าถ้าจะเรียกว่าจริงๆก็ดีกว่าอายุเป็นสิบสิบปี <c oughs> แล้วก็ได้รับคมเอื้อเฟือ้อจากท่านตรงนั้นมีเจ้าวาดแล้วก็มีพระสิบแปดพรรษาพระมาหายานรูปหนึ่งแล้วก็มี ภิกษุณีที่เราเห็นอีกคนหนึ่งแล้วก็มีสั ม, มนเนรนีน้อยอายุ8ดขวบแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งปรากฏว่าสั ม, มนเนรีกับเด็กเล็กๆก็เป็นเด็กกําพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตเราก็ไม่ได้ถามว่าพ่อแม่เสียชีวิตจากไหนอะไรยังไงต่างๆแต่ว่าก็น่าจะเป็นพวกลูกหลานคนจีนเหมือนกันตัวภิกษุณีก็มาจากยุนานมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 35หเนาะก็พระพระท่านก็มาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี35 ม, มาพร้มพรอมๆกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นพระมาบวชที่หลังในในในบ้านเราตรงนี้ก็ปรากฏ ว, ว่าที่ที่ตรงนั้นเราก็สอบถามเราจะบินธบาศได้ไหมอะไรอย่า ง, างนานานๆนานนี้ก็ไม่ได้นะเพราะเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านคนจีนไม่คุ้นเคยกับการบินธบาศ รวมทั้งความที่เป็นวัดมหายานท่านก็ไม่บินถบาทด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็บอกบอกว่าเนื่องจากวัดมหายานจะเป็นวัดที่ฉันเจกันเนาะอย่างเงี้ยถ้าหากว่าบินทบาทแล้วได้เนื้อสัตว์มาอะไรมาก็จะมาเอามาเข้าวัดก็ลําบากนั่นนั่นคือเราก็บันนั้นเราก็ไม่ได้บินถบาทอะไรกันก็ท่านก็ที่ที่วัดที่มีภิกษุณีภิกษุณีก็จะทําอาหารห ปรากฏว่าพอถึงตอนเช้าเนาะท่านก็แบบว่าแบบทําอาหารเตรียมให้เราตรัวเป็นอาหารที่แบบว่าหรูหรามากๆเพราะนึงจากว่าคิดว่าประจำวันเขาจะทำอย่างสองอย่างอะ่ะแต่วันนั้นท่านก็ทําอาหารแล้วแบบว่าห้าหกอย่างนะเยอะแยะไปหมดเลยเต็มโต๊ะต้องเรียกว่าฉันเ ง, งินภูมิกลางหลังจากที่บินถบาทได้บ้างไม่ได้บ้างมาหลายวัน แต่ว่าก็กคือก็เป็นเป็นกับข้าวที่ท่านก็ตั้งใจทําให้แล้วปรากฏว่าเราก็เออเราก็ถามถึงหลวงพ่อจะเอาวัดแต่ว่าหลวงพ่อเจะเวมาไม่มาฉันกับเราเหรออะไรเงี้ยเออทางทางพระทางพระมหาญาณท่านก็พูดไทยได้ไม่มากนักนะท่านก็ไ ม, ไม่ไม่ได้พูดอะไรอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเวลาที่เราฉันเสร็จน่ะ ก็ปรกากฏพระจ้าว่าท่านก็เดินออกมาจากจากห้องครัวเอราก็รู้สึกผิดปกติหน่อยหนึ่งอา้าวนี้ท่านใส่เสื้อขาวแล้วก็รู้สึกผิดปกติอีกหน่อยหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยพอล่ําลากันท่านก็โอบกอดไม่ชีเราไม่ชีพวงไม่ชีย่ยุอะไรเงี้ยอ้าวเราก็เอเ อ, เ อ, เ อ, เอมหายานเหรอก็ก็ แบบว่าอสัมผัสกับผู้หญิงไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็นึกอย่างเง้ยแต่ปรากฏว่าพอคุยคุยกันไปบอกว่าอาหารจานสุดท้ายก็เป็นผัดผักนะก็เป็นผัดผักเฉยๆผัดผักง่ายๆมีแบบว่าอร่อยมากๆก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งเป็นผัดผักเฉยๆกอไม่ชีก็บอกว่าเนี่ยท่านภิกษุณี ท่านภิกษุณีจะาอาวาสเป็นคนผักผัดได้เราเองปรากฏว่าหลวงพ่อที่เราคิดว่าเป็นหลวงพ่อจะาอาวาสอายุกการศึ93จริงๆไม่ใช่เป็นภิกษณุณีแต่ความที่ท่านก็อายุมากนะแล้วก็แม้กระทั่งท่านจีเนี่ยพูดด้วยนะก็ยังไม่รู้ว่านี่ผู้หญิงหรือผู้ชายออย่างเแต่ว่าคือความที่เหมือนกับพออายุ น, น้อยๆก็พูดก็เสียงเบาแล้วก็อากับกริยาอะไรต่างนๆนของนักบวชก็ เป็นอากัปกิริยาที่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่จะระบุความเป็นหญิงความเป็นชายอะไรกันมากมายนนั่นคือตรงนี้ก็ทำให้พวกเราเองเนี่ยทั้งหมดทุกคนไม่ไม่รู้เลยนะว่าอานี้วัดนี้เนี่ยจะอาวาสเป็นเป็นผู้หญิงแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็คือวัดวัดชื่อวัดจริงๆเป็นวัดชื่อภาษาไทยว่าวัดแสนสุขแต่ว่าเป็นวัดผู้หญิงถ้าเป็นชื่อตามภาษาจีนบอกว่าวัดกวนอิม นั่นนึ่งคือปรากฏว่าเราก็ไปเจอวัดสองวัดที่ชื่อกวนอิมเหมือนกันเนี่ยก็มีภิกษุณีเป็นเจ้าวัดทั้งคู่เนาะก็ต่างกันไปอีกคนละสถานที่แต่ว่าบรรยากาศ ก, ก็เป็นจีนเหมือนๆกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เออนาะก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่เราก็แบบว่าได้พบก็เรียกว่าชุมชนนะที่เป็นชุมชนจีนจีนจ๋าเลยอย่างเงี้ยเนาะ ตามเส้นทางก็เยอะเนี่ยก็จะมีชุมชนที่เป็นชุมชนไทยใหญ่ไทยใหญ่นี่ก็น่าสนใจอีกอันหนึง่งก็ความที่เป็นไทยใหญ่จํานวนน้อยๆอยู่ในอยู่ในชุมชนจีนหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านใหญ่ชื่อหมู่บ้านร อ, อรุณโนทยัย <laughs> <laughs> หมู่บ้านชื่ออรุณโนทยัย <laughs> ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นพันหลังคาเรือน แต่ปรากฏว่าเป็นคนจีนสักเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นคนเป็นคนไทยใหญ่ประมาณสิบเอร์เซนเราก็เดินบินธบาตนะเป็นบินธบาสที่ไกลามากๆวันนั้นน่าจะบินธบาสประมาณสักสี่ห้ากิโลโอ้ปรากฏว่าในบาสนี่เราก็มองมองดูแล้วว่าถ้าจะแบ่งแบ่ ง, บงปั น, ป, น, ป, นปันกันก็คงแบบว่าได้อะไรที่น้อยๆห น, น่อยนะไม่มากนักอะไรยเงี้ยปรากฏว่าก็จนกระทั่งจะกลับถึงวัดละ ก็เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็มีคนผิงไฟอยู่ปรากฏว่าพอเราเดินพ้นประตูบ้านไปก็ก็ออกมานีก็มีคนออกมาเดี๋ยวนี้มนต์ก่อนเดี๋ยวนี้มนต์ก่อนก็พูดภาษาไทยนะว่าเป็นคนไทยใหญ่ปรากฏว่าก็พูดว่าเดี๋ยวรอก่อนนะไม่ทันรู้ว่าจะมีพระมาอะไรต่างก็ปรากฏว่าเรารอรอรอไปสักเดียวหนึ่งสักห้านาทีก็มีคุณลุงออกมาใส่บาตรพอมีคุณลุงออกมาใส่บาตร พอใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยก็เลยจารมพอนเอาก็ลูกก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋วก่อนเดี๋ยวนิวนมนเข้ามาอยู่ในบ้านได้ไหมเข้ามาเข้ามาในบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเตรียมของให้เตรียมของไม่ทันเอาเราก็เข้าไปในบ้านพอเข้าไปก็อีกสักเดี๋ยววาอันนี้มนเข้าไปนั่งในห้องได้ไหมเนี่ยบอกบอกเพื่อนบ้านเนี่ยมีเพื่อนบ้านหลายคนอยากมาอยากมาใส่บาตรปรากฏว่าเราก็เห็นความกระตือรือร้นเนาะ คือความที่เหมือนกับคนไทยใหญ่ก็จะเป็นคนพม่าที่ข้ามมาแล้วก็เขาก็เหมือนกับมีศรัทธากับศาสนาคนพมา่าคนพมา่าก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคนพุทธทั้งประเทศแล้วก็มีศาสนามีมีศรัทธากับการกับกับศาสนาพุทธมากๆแล้วก็ต้องการทำบุญแล้วก็ยัง เราก็มองเห็นว่าเขาคงไม่ค่อยมีพระผ่านมาอย่างนี้เพราะว่าพระที่วัดที่เราไปพักก็จะเป็นพระรูปเดียวแล้วก็บอกว่าเวลาที่ญาติโยมก็จะมาถวายถวายอาหารที่วัดไม่ได้เดินมิถมบาทปรากฏว่าเราอยู่ที่ตรงนั้นนะประมาณสัก20นาที30นาทีได้นะเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาก็โทรศัพท์กัน แล้วก็บอกให้คนนั้นคนนี้มาเดี๋ยวอีกคนนึงก็บอกโทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอะไรต่างๆนง น, นปรากฏว่าท้ายสุดวันนั้นบินธบาตได้เยอะใหญ่ไปหมดเลย <c oughs> รวมถึงก็ยังมีบางคนที่มาไม่ทันนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมาถวายที่วัดปรากฏว่าเป็นรถแบบรถซาเล็กนะเนาะของเต็มรถก็ ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ที่เล่าสู่กันฟังนะถึงเออนี่ศรัทธาเนาะในศาสนาพุทธสนะิ่งต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นต่างชาติต่างภาษาถึงแม้จะเป็นในไงก็ตามเนี่ยพอเป็นญาติธรรมด้วยกัน ing, การที่เหมือนกับเราไปต่างถิ่นตรงนี้เนี่ยพอเจอกันเนาะพอความเป็นพุทธ เหมือนกันเนี yeah, ่ยตรงนี anyway. ้ถ hmm. ึงแม้จะเป็นมหายานบ้างถึงแม้จะเป็นไทยบ้างถึงแม้จะเป็นพม่าบ้างถึงแม้จะเป็นชาวเขาบ้างถึงแม้จะเป็นอะไรไงต่างนานาเหล่านี้บ้างเนี่ยก็ความที่เป็นอยู่ใต้ล่มพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เป็นความแปลกแยกคนอื่นที่ไม่ได้ถือพุทธก็อาจจะมีความแปลกแยกบ้างแต่พอเช้าพุทธด้วยกันพอเห็นพระเห็นหนึ่งต่างนานาเหล่านี้ เราก็ได้เห็นนะว่าอานิสงฆ์ของาศาสนาพุทธที่พุทธเจ้าได้หวางเอาไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดบาดฐานของชาวพุทธได้กันก็คือแบบว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมเนาะแล้วก็การชําระจิตของตนให้ขาวรอบตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ก็ยังก็เรียกว่าก็ยังเบิกบานนะอยู่ในประเทศเราเบิกบานอยู่ในใจของชาวพุทธทุกคน นั่นก็คือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราก็ได้ได้ยังคงก็เรียกว่าได้ยังคงทำทุกทุกอย่างเนาะตามตรงนี้ถือศีลได้แล้วก็ถือศีลให้ก็เรียกว่าบริสุทธิ์มากๆขึ้นเนาะทำกุศลได้ไม่ว่าจะเป็นทํากุศลด้วยอะไรยังไงก็ตามแล้วก็ทํากุศลให้ถึงพร้อมเนาะในส่วนของการทํางานกับจิตใจเราในส่วนของการเจริญสติอนตาน า, น า, นานเหล่านี้เนี่ย พูความเขียนที่เป็นหลักให้กับพวกเราอะไรเงี้ยนะก็ท่านก็ได้ทำให้เห็นเนาะว่าสติก็มีส่วนที่สำคัญกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่จะเป็นแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยหรืออะไงก็ตามตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ตกต่ำเนาะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทางกายไม่มีทุกข์ ท, กทางใจทุกข์ที่กายที่มันจะมีอยู่แล้วก็มันเป็นเรื่องของมัน แต่ว่าในส่วนของใจที่เรารักษากันได้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแต่สตินะที่จะช่วยพวกเราเพราะฉะนั้นนั่ น, นคือตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเชาวพุทธทุกคนก็ได้ถึงพร้อมทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่มีทุกข์นะก็พวกเรากลับหาพร้อมกัน